ท่านผู้ฟังทั้งหลายสําหรับวันนี้ก็พบกันอีกมาพบกันตอนต้นฉบับหนังสืออัน <c oughs> ตอนที่แล้ว 26 พฤศจิกายน 2531 ก็เป็นว่าวัน มีปีหนึ่งอาตมาก็จํา ป.ส. ไม่ได้เวลานั้นกําลังอยู่ก็ อีก 2 หลังที่อาตมาจะอยู่ได้ก็เป็นกุฏิทิพย์นั่นก็หมายความว่านอนในกุฏิกลางคืนเห็นดาวได้โดยไม่ต้องออกมานอก ทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าหลังคามันโป่งฝาก็โป่งคุ้มแดดก็ไม่ <c oughs> ให้ทราบว่าอาตมามาแล้วมาอยู่กับต๊อบแล้วก็มีทุนจริงๆมา ใครมาใครไปเขาว่าให้โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เนี่ยเนี่ยนายก็มีตำรวจมาจากกรุงเทพฯท่านหนึ่งมีทุกมามรรคปัญญากับ ก็เป็นอันว่าท่านมาปรารภมาถึงท่านกับปรารภว่าผมมีเรื่องเกิดขึ้นก็อยากจะให้หลวงพ่อช่วยก็ถามท่านว่าจะช่วยยังไงท่านก็บอกว่าเขาจะขังผมผมก็บอกกับเจ้า เป็นอันว่าพูดกัน 2 3 คราวไม่รู้เรื่องท่านจะขังแน่ผมไม่เห็นทางวันหนึ่ง ใครเข้ามาทำบุญก็นำเงินเข้าไปก่อสร้างเข้ามาทําบุญก็นํากันๆน้อยๆแล้วก็เงินที่คณะที่ๆน้อยๆสร้าง เป็นนั้นว่าท่านนายตำรวจคนนั้นท่านบอกให้ช่วย บาลีๆน้อยๆก็ถึงก็วิชาความรู้พิเศษการรักษาโรคก็ดีการช่วยสงเคราะห์คนที่รักกันจะให้เค้าเกลียดกันเกลียด และคาถาต่างๆถ้าท่านต้องการจะสอนแต่ไม่ 5-6 ท่าน เข้ามาพอดีมาถึงท่านก็ ก็บังเอิญมีเทวดา 5 ท่านมาถึงยกมือ ว่าเขาต้องการให้ช่วยเหลือแบบนี้จะมีทางช่วยเหลือไหมท่านๆท่าน มีชนดาแหลมเปียกแพรวพราพนิยักพอท่าน ก็เห็นว่าพระคุณเจ้าหมดทางแล้วอึดอัด แต่ว่าคนนี้เป็นนายเงินเดือนตั้งขอ 1 ข้าว 1 ถ้วยหน้าทัว 2 หัว 1 หัว เป็นนายเป็นขเดกการอย่าเป็นคนชั้นดีมีมีสตางค์ตั้งแต่ก้าวพอดีขึ้นไปต้องใช้ตามนี้นะแล้วก็หลังจากนั้น บางท่านอย่าสงสัยว่าไอ้เป้คือถ้าไอ้เป้มีละอีเป้มีมั้ยก็ขอตอบว่าไอ้เป้คือน้ําตาลเมาและไอ้ไม่ฉะนั้นก็ค่อนกัน <c oughs> จับ มีพริกเผาไฟเผาก็ได้ความอํานาจคือขนมจีน ก็เป็นอันว่าคนที่ไปตรวจโลดที่มาเนี่ยท่านก็ได้ที่แล้วท่านก็ตั้งนิ่งปะเดี๋ยว การพูดกับผีการพูดกับเทวดานี่ไม่ต้องใช้ปากไม่ต้องเสียงออกจากปากใช้ความรู้สึกของใจใช้ได้เลยท่านบอกว่าขอร้องท่านแล้วเวลานี้ท่านรับผมจะจัดการตามนั้นครับแล้วก็ท่านพูดถามว่าจะจะไปบนที่ไหนก็บอกตามใจเถอะรูป<ใช> คุณจะบ่นที่ไหนเป็นหน้าที่ของคุณให้หาของง่ายๆก็แล้วกันแต่ก็บอกว่าถ้าอย่างนั้นผมจะกลับไปถ้าสําเร็จตามความประสงค์ตามที่ต้องการ honcompah for governor Aufsaregen than two thousand times when other two entertainers is not too late. these days on last can cook because they move electr Luis Chachnos at once because of that meeting and which Willy Thang Thet. and God of May Thandinte also that the Mayor had been grandeur, but these people came and toldged that would be the Brother of the Gospel when ไปพบหน้าผู้บัญชาท่านนั้นก็คิดว่าวันนี้ท่านคงสั่งขังแน่เพราะ แต่ว่าจะไม่ขังตัวจะขังได้ชื่อภายในกำหนดเท่านี้เอ็งจงอย่ามาที่ทํางานนะถือว่า มาทราบทีหลังนะเป็นอันว่าท่านผู้นี้ก็ไม่ต้องโทษครั้งท่านนี้สุดของ รถ <c oughs> ระหว่างที่ถูกขังชื่อก็ไม่มีสิทธิ์ไปทํางานนาทีขอต่ออีก <c oughs> แต่ว่าขอยับยั้งไว้เพียงเท่านี้นะเอาอีกนิดนึงตอนนี้มาก็เป็นตอนที่กรมหลวงนิพพรถูกโกงกรมหลวงนิพพรถูกโกงนี่ไปถูกโกง <c oughs> หญิงคนนี้ 18 ปีหาย 3 ปีไม่ยอมกลับบ้าน ถ้าทายกษัตริย์ไปในเพียงผู้บอกบอกแล้วเธอทําได้ก็ <c oughs> <c oughs> สมัยจริงๆก็ใช้ของมากๆก็แนะนําตามที่เขา <c oughs> เมื่อบ่น 3 วัน 3 ลูกชายมา 3 ของลูกชายมาที่แก่บ่นที่ แก้บ่นจริงๆปรากฏเอาหายมา 3 หายถ้าเอาไอ้เป้ใส่ไปให้ละจอก 3 วันได้ได้จอกระวันลูกชายหาย 10 วันกว่าตามก็ ในที่สุดเธอก็มาถามอาตมาอีกว่าขณะ ก็ถามเธอว่าเวลาเธอบนบนอะไรเธอก็เล่า ก็จึงได้บอกเธอว่านี่โยมมันไม่ ว่าต่อทีนี้ไปให้เป็นภาระ แต่ก็เป็นความดีบรรดาญาติโยมพุทธบริษัท 6 ที่พระเจ้านายโด่งท่านเลื่อนไป 6 และหลังจากเป็นเทวดาชั้นวีรชน 6 แล้วเป็นเจ้านายเค้าไปหัวหน้าเป็นทัพมหาราชท่านก็มาราย แล้วบรรดาญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลายโดนทนนาวิลาก็ยังเหลือเยอะก็มาคุย <c oughs> ท่านบรรดาญาติโยมพุทธบริษัททุกท่านหรือท่านผู้ 4 ประการสังคหวัตถุคือธรรมะที่ แต่ถ้าว่าบังเอิญ แกกามิสมิชชาจารย์ในเวลานี้ฉันดวกหาไม่ซึ่งการกัน เอาแค่พอดีประกรเราให้เขาเขารักเราเขาให้เราเรารักเขาเรามีคนรักเราก็มี 2 ปิยะวาจาคือใจของบุคคลผู้รับฟังเราพูด และเมื่อต่างคนต่างชอบกันแบบนี้มันก็เป็นและต่อไปการช่วยเหลือการงานเรื่องการกันกันถ้า ร่วมความเอากันช่วยกันงานซึ่ง <c oughs> เป็นที่เกิดของคนความรู้ความการไม่ถือตัวไม่ถือตนก็เป็นเป็นปัจจัยเกิดความรักถ้าเป็นในเมื่อคนรักที่นับ แต่ละคนเดียวก็มีความสุขอยู่หลายคนก็มีความสุขจะไป 1 รู้จักสงเคราะห์สิ่งอัตกาลด้วยวัตถุคือการให้ 2 พูดดี 3 ช่วยเหลือ นี่ถ้าทุกคนต้องการความสุขจริงบรรดาท่านพุทธศาสนิกชนถ้า 4 ประการนี้ครบถ้วนท่านท่านปฏิบัติได้ ใครเกิดทุกชาติจะมีวาจาเป็นทิพย์พูดอะไรใครก็เชื่อถ้า 3 ถ้า 3 การช่วยเหลือกันงานเป็นเหตุบันดาลความถูกเรื่อง เอาล่ะบรรดาท่านพุทธศาสนิกชนทั้งจะกลัวแล้ว